ขอความสุขความเจริญจะมีท่านสาธารชนทั้งหลายการบรรยายประสุท์ในวันนี้จะได้นำเรื่องในเอกานิบาต้นคุตรานิายมากล่าวแต่ในประสุท์นี้จะพูดองค์ธรรมในแต่ละข้อความองคธรรมนั้นจะมีอยู่เพียงข้อเดียว แล้วก็ทรงจำแนกออกไปเป็นข้อข้อไปเรื่อยๆในวักที่จะกล่าวนั้นท่านเรียกว่าเอ ก, ก บ, บุคคลวักคือวักที่ว่าด้วยเอ ก, ก บ, บุคคลพิะเจ้าทรงแสดงถึงเอ ก, ก บ, บุคคลคำว่าเอ ก, ก บ, บุคคลก็คือยอดคนหรือบุคคลเอก ตามปกติแล้วก็จะเน้นไปที่พระหัตถ์สมาสมุติเจ้าบางพระเจ้าจากกักรพรรดิบางตักคนเหล่านี้จะเกิดมาในโลกแต่ละครั้งนั้นมันนานแสนนานแ้าเกิดมาแล้วก็จะทําประโยชน์สร้างสารรค์พัฒนาโลกได้อย่างกว้างขวางท่านจะเรียกว่าเป็นเอกบุคคลแต่ไม่ได้หมายถึงคนใดคนหนึ่งนะครับกไม่ได้หมายถึงว่า พระพุทธเจ้าของเราเพียงพรองค์เดียวพระพุทธศาสนาเรานั้นจะใช้คำว่าพุทธานาสาสนังคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายหมายความว่าคนระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นในยุคใดสมัยใดก็ตามโดยสถานะของท่านก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็รวบรวมในจุดนี้มาไว้เป็นข้อข้อ ข้อแรกก็เราสั่งว่าพิสูจทั้งหลายเอกบุคคลเมื่อบังเกิดขึ้นในโลกจะบังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นนั้นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนั้นมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคล น, นั้นคือพระหันตะสมมาสัมพุเตจ่า หมายความาสถานะของความเป็นประหันธสมสมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็มีอยู่ในอดีตด้วยมีในปัจจุบันแล้วก็มีในอนาคตด้วยยุคใดที่ท่านเกิดมาท่านก็จะเกิดมาเพื่อประโยชน์โดยนัยะดังกล่าวเป็นคำทด่ใช้ซ้ำกันทุกคนทุกแห่ง แต่แม้แต่ว่าคำที่เรานำมาถวายทานอะไรพวกสังฆทานพวก ป, ป่าปา่าพวกอะไรก็แช่คำแนวเดียกันคืออัมหา ก, กังอัทายะอิตายะเพื่อประโยชน์เือกูเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติาทั้งหลายอะไรพวกเราก็ว่ากันไปเราจะเห็นว่า คนลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นมหาบุรุษลักษณะของมหาบุรุษนั้นอัตยาสัยจะมีคนอื่นมองคนอื่นด้วยความกรุษนาเป็นกรุดาที่เสมอหน้ากันรูปเจ้าเรานั้นท่านมองคนในแนวเดียวในแนวที่กำลังประสบความทุกข์ มาความมาตกอยู่ใน่วงของความทุกข์ทุกชีวิตแม้จะลดหลั่นกันขึ้นไปนะเพราะความความความทุกข์รวมนั้นเป็นความทุกข์ในวัฏฏะคือศาสตร์ใดที่ยังมีการเกิดตาตร์นั้นก็ยังถือว่ายังอยู่ในห่วงของความทุกข์พระองค์ก็มองคนเหล่านั้นด้วยความกรุณา องการที่จะช่วยเหลือเขาหลุดรอดจากความทุกข์แต่ไม่ใช่เรื่องของการโดนบันดาลด้วยการเสกเป่าอะไรจะเป็นการบอกกล่าวชี้ทางให้เพราะในขีดความสามารถในการเดินไปสู่ทางหลุดพ้นจากความทุกข์ของคนเราก็แตกต่างกันํรไมธรรมะต้องกระจายออกไปแต่ลักษณะของธรรมะมันก็เป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่คนเหล่านั้นทั้งหมดที่รเรียกว่าทรงสแสดงเพื่อประโยชน์สามระดั บ, บระดับหนึ่งเป็นประโยชน์ระดับปัจจุบันแต่เริ่มมาจากตัวปัจเจกชนแล้วขยายออกไปเป็นครอบครัวเป็นตระกูลเป็นตระกูลเป็นวงศากนาญาตไปเรื่อยๆนะครับเป็นสังคมเป็นประเทศชาติ แต่ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของปัจจุบันจะเกิดได้เกิดการอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันตนวทปัจจุบันที่นํามาเป็นหัวข้อในการวรญญาอบรมพวราชการพวกอะไรเนี่ยจะเรียกว่าครองตนครงคนครองงานของเรื่องคองสุขถ้านะพูดระดับบริหารระดับเหตุก็เรียกว่าบริหารตนบริหารคนบริหารงาน แล้วก็กลายเป็นเรื่องความสุขมนยะตามเกิดมาเองโดยเริ่มต้นมาจากปัจเจกนชนและความคนแต่ละคนเนี่ยจะต้องสามารถในการครองตนเองให้มีความสุขให้ได้ก่อนแล้วก็ขยายความสุข น, นั้นออกไปภายในครอบครัว ไปสร้างบ้านให้เป็นระวันวิมานให้ได้แล้วก็อยู่ในรูปของบงสากนายาตสังคมที่ตนเป็นสมาชิกก็ขยายไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าทั้งทั้งหมดนั้นก็คือก็คือเรื่องความสุขที่เราจะได้ในปัจจุบันแล้วก็ทรงแสดงไว้ทั้งส่วนที่เป็นเหตุแล้วก็ส่วนที่เป็นผล แต่ผลนั้นจะเกิดก็เมื่อต่อเมื่อบุคคลได้ประกอบเหตุเราจะเห็นว่าธรรมะแนวที่บริหารปัจเจกชนแต่ละคนซึ่งเรามีฐานะแตกต่างกันมันก็มีอยู่เยอะนะครับเพราะเราเป็นเยอะลเลยเนนะี่ยคนแต่ละคนมันก็เป็นเยอะโดยเราเองเป็นฐานอย่างแนวทิ่หกเราจะเห็นว่าคนแต่ละคนมันก็เป็นหกอย่าง แต่จริงก็ไม่ใช่แค่ที่ถกนะฮะเราจะมีอะไรอีกเกยอะที่เราเป็นหมายความว่าในแต่ละจุดนั้นเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นโดยเริ่มพัฒนาจากการเป็นให้ได้แต่ในขณะเดียวกัน ก, ก็มีองค์ธรรมรวมหรือหมายความเป็นอะไรก็ตามค่อยมีธรรมะเหล่านี้แล้วก็ปรับปรับตัวเองไปได้ตลอด ที่เราเรียกคารวะสรธรรมเกิรรมะของผู้ครองเรือนลักสำคัญต้องมีสัจจะสัจจะครั้งแรกก็คือสัจจะต่อตัวเองแต่ต้องก็มีความรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองว่าเราเป็นใครมีภาระมีหน้าที่ยังไง เรกว่าต้องมีหลักของอัจจันตุตาการรู้จักตัวเองในความทอสัตถ์เนี่ยก็เริ่มมาจากฐานของเราว่าเราเป็นใครมีหน้าที่ยังไงก็ทำภาระหน้าที่เหล่านั้นแล้วก็มีสัจจะในตรงนั้นหรือทํางานอย่างมีความรับผิดชอบในกรอบที่เป็นภาระหน้าที่ของเราและมันยังไปเกี่ยวข้องกับเวลากลุ่มคนบุคคล อย่ารงต่อเวลาตรงต่อกลุ่มคนบุคคลต่อรงต่อภารกิจการงานรงต่อธรรมะคือความถูกต้องเป็นต้นลดวกระจายตัวเองเออกไปเป็นรูปเวลาเกี่ยวข้องคนอื่นก็ต้องมีสัจจะวาจาบางเรื่องก็ลึกซึ้งมากก็เป็นเรื่องสัจยาทิฏฐานหรือสัจจปฏิญาณหรือสัจจะปฏิญญาเป็นต้นไปในส่วนตัวเราเองก็คือความจริงใจ ใจจะประพฤติจะกระทาจะปฏิบัติอะไรก็ทำได้จริงๆปัญหาใหญ่ก็อยู่ที่ความสุจริตในตัวเองเรามาเคยสังเกตเคยอ่านงบประมาณมันอ่านแล้วเราสลดนะอ่ะเพราะมันต่มันโกหกหลอกลวง ก, กันเหลืกเกินคนีตัวเลขเนี่ยมันตัวเลขลวงมากเลืเกิน ก็มองถึงหลักที่พระเจ้าทรงสอนเรื่องวานกลัวเป็นฐานเนี่ยตรงใช้คําสั้นๆง่ายๆว่าทำมันเจริสุจริตตังนะนางดุจริตตังเจรให้ประพฤติธรรมให้สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้ทุจริตนี่คือหลักเลยเป็นฐานกัฐนฐานชีวิตเพราะในความซื่อสัตย์เนี่ยบางทีเราก็ควบเลยความซื่อสัตย์สุจริตแต่จริงถ้าซื่อสัตย์มันก็สุจริตเนี่ยนะฮะ แต่สุจริตมันก็ต้องซื่อสัตว์ตองก่อนก็นไปมีหลวงสุพีมาไปลงไปไประชุมที่กรมการศาสนาเจ้าหน้าที่เขาบอกภารากิจของเขามากเหลือเกินต้องดูแลพระตั้งสามสี่แสนก็พูดพูดออกไปได้หน้าด้นดานๆไม่รู้จักอายเลยมันมีหน้าที่อะไรไปดูแลพระ กรงการศสนาไม่ได้มีหน้าที่ดูแลพระนะฮะกรมหน้าที่เป็นลูกศิษย์กรงการศนาเป็นลูกศิษย์พระเท่านั้นเองหน้าที่ทางการปกครองต้องดูแลพระทั้งสามแสนแต่ของบประมาณเพิ่มจะขออัตรากำลังเพิ่มเลยมาอาบร็อมจัดกระเทือนหมดเลยอันนี้คือคือคือรขักษาจักมันต้องการเงินแล้วเอามาทําอะไรเอาจริงมันไม่ได้ดูแลพระอะไรอนะฮะดูพระอะไร เรียดสนับสนุนด้วยจตุปัจจัยพระอาจ า, ารย์ศึกษาเราก็สนับสนุนด้วยจตุปัจจัยในการศึกษาก็ท่านเองก็ไม่มีอะไรทีนี้มันเป็นเรื่องของคนที่เรียกว่าขาดพื้นฐานของความสุจริตเรานึกว่าถ้าถ้าเรามีความสุจริตเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้อีกเยอะะไรแม้แต่เราดูเรื่อง ไม่ได้เราไปเกี่ยวข้องนึ่งงบประมาณงานบางอย่างอาคารสถานที่อย่างหนึ่งเดวมามีสวนรู้อยู่ด้วยนะ ค, คือเราให้บริษัทก็ลองประมูลดูเนี่ยหลายแห่งไม่เกิน4ี่สิบล้านนะไม่เกินสี่ล้านตะแข่งเยแต่พอราชการก็ตีมาล้านยี่สิบล้านสยองมากเลย นี่คือคืออะไรคือขาดสัจจะขาดความสุจริตต่อมามันก็เสียฐานชีวิตพอคนเราพอพอเสียฐานตรงนี้แล้วแล้วยังอ่ดมันก็ไปยากนะพระพุทธเจ้าจึงจึงจึงสอนให้ตั้งตัวสัจจะในเป็นฐานคือให้ตรงอนะ่ะให้ซื่อตรงให้สุจริตแล้วทีนี้บางทีเราก็ทำไม่ได้เราก็ต้องฝึกเอา ก็มีธรรมะอีกข้อหนึ่งก็เรียกว่าธรรมะ ค, คือฝึกพยายามฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปจนกว่าจะทําได้เกิดแนวอย่างที่ส่งสอนมาเหมือนกับชาวนาเออชาวนาไขน้าขานําข้าวน้ำก็ไขไปเรื่อยๆช่างช่างสอนดัดลูกสอนก็ดัดไปเรื่อยๆช่างไม้ถากไม้ก็ถากไปเรื่อยๆจนกว่าจะสําเร็จตามที่เราต้องการในข้อตําการเราให้ทําให้ฝึกไปเรื่อยๆ ต่บางอย่างมันมีตัวกระแทกกระทันแต่ความคิดของเราเราก็รู้จักข่มใจห้ามใจตัวเองเรียกว่าหยุดความคิดนะะอ่าในการปฏิบัติกรรมฐานเมื่อสามสี่วันที่แล้วมาเนี่ยมันมีอะไร ท, ที่ที่น่าสนใจนะตอนตอนกลางวันเย็น อยู่ผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาถามเรื่องอารมณ์ก็ามาถามแกปฏิบัตินะฮะแล้วปฏิบัติได้ได้ได้เยอะไม่ใช่เล่นน่าทึ่งก็เรียกกาเข้าถึงวิปัสนาญาณ น, นะฮะเข้าวิปัสนาญาณไปเลยมันอยู่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยแกกายแยกกายทิพมันมันออกไปจากตัวได้ แล้วก็ไปเห็นวงสาคณะญาติที่บ้านพี่น้องพ่อแม่นี่เป็นโศพหมดเลยทั้งบ้านเลยศพหมดเลยแต่โศพต่างกันนะนะฮะศพต่างกันแต่มันเกิดหวาดกลัวแล้วแกก็หนีเข้าไปอยู่ในห้องน้ำรุง่งในเชา้าญาติพี่น้องก็เข้าออน้ําไม่ได้พี่ชายก็ต้องพังประตูเข้าไปแล้วก็อธิบายอันนี้เป็นเป็นเป็นลักษณะที่ เขาเรียกว่าอาตัตตารมณหรืออารมณ์ในอดีตเนี่ยอารมณ์ในอดีตถ้าเราเก็บสะสมไว้มันขึ้นนันขึ้นมามันขึ้นมาปรุงก็ทําให้เราเกิดเกิดหวาดกลัวเพราะว่าตัวการใหญ่จริงๆก็คือขาดตัวสติกับสัมมัญญนะสติสัมมัญญามันมีไม่พอเลยก็แนะนําบอกเขาบอกปฏิบัติต่อไปเลยกันแหละแต่ก็ถือว่าเก่งไงนะ นั่งกรรมฐานวันสิบเอ็ดชั่วโมงนั่งกรรมฐานทีเดียวสิบเอ็ดชั่วโมงเก่งมากๆพอตกกลางคืนมีผู้ชายถามระดับเดียวกันนะฮะแต่ว่าผู้ชายรู้สึกจะน้อยกว่าแล้วก็สลบับซ้อนน้อยกว่าก็ทำให้เห็นว่าชาวบ้านเองนะก็ปฏิบัติมากกันเด่น แต่ว่าตัวตวการใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราปฏิบัติไปมันก็มีปัญหาอะไรแยะเพียงแต่ว่าจะต้องมีสติรู้เท่าทันมันกิเลสบางอย่างหรืออะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นภายในมันต้องข่มใจเอาจากขากข้างใจข่มใจมอง้เหินเป็นภยัยเป็นอันตรายเป็นเรื่องขางการฝึกบริหารตัวเองคุมตัวเองทีนี้บางทีอารมณ์มันมาจากข้างนอกอะ เราเป็นสัตว์สังคมเราเราไม่ได้มีปัญหาเฉพาะตัวเราอย่างเดียวอารมณ์มันมาจากข้างนอกแต่ลักษณะยั่วยุยยอะไรก็ตามก็ต้องอดกลั้นอดทนที่เรียกว่าขันติทีนี้การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นจะต้องมีน้ำใจน้ำใจต่อคนอื่นก็ทรงสอนในรูปมจากคือการสละให้ปันอัตยาศัยโอปอมารีเพื่อเผื่อแผ่ต่อบุคคลทั้งหลาย นี่คือสูตรที่สากลหมายความว่าครองตนเป็นสากลจะเป็นอะไรก็ตามฮะเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีภันยาเป็นเพื่อนเป็นนายเป็นบาปเป็นหมดเลยธรรมะนี่มันจะเป็นฐานของชีวิตเป็นฐานของชีวิตว่าทุกคนเนี่ยต้องมีธรรมะตั้นี้แล้วก็ทรงสั่งสอนในระดับที่เรียกว่าเป็นปัจจุบันเป็นนันมากตั้งแต่การประกอบอาชีพือเรียกว่า เป็นศาสดาองค์เดียวนะฮะที่สอนตั้งแต่ห้องน้ำถึงนิพพานสอนการใช้ห้องน้ำใช้อย่างไงกินข้าวเนี่ยสอนการกินข้าวอย่างนีงก็พเจ้าสอนเรื่องกินข้าววิธีกินข้าวอย่างเดียวเคียวยังไงตักข้าวอย่างไงะเคียวยังไงหยิบอย่างไงเนี่ยวางตัวอย่างไงเวลากินข้าวเบื้อเกิดจับหลักได้อย่างเมื่อวานวันซื่นวันซืนนะ ไปสัมมนาที่โรงแรมเอเชียพอถึงพระเพนนะฮะพระจันเพนมาสักสิบกันนาทีเสร็จละแล้วเสร็จแล้วก็ไปรอโยมก็ให้พระมาจันเพนก่อนรอโยมนอนเลยอาตมากับเขากำหน ด, ดให้พูดตอนบ่ายโมง ปราก็ราได้พูดอีกห้านาทีสองโมงเราก็ติดงานเยอะนะฮะมันก็เข้างานอึดแล้วเลยก็เลยพูดไปหน่อยนะมันจับหลักได้ว่าชาวบ้านเวลากินข้าวเนี่ยเขาคุยด้วยคุยกันคุยกันจังเลยกินนานจังเลยแต่พระเนี่ยกินข้าวก็ห้ามคุยก็ไม่ให้คุยฮะรู้จ้าท่านสอนไว้ไลยแล้วถ้าคุยเนี่ยไปคุยทั้งคาข่าวอยู่ในปาก คนไมเยอะเลยสอนให้กินข้าวไวจับหลักได้โอ้ชาวบ้านเนี่ยเขาคุยด้วยเวลาวก็กินเนี่ยแต่พระไม่คุยฮะพระไม่คุยประชันเป่าไปฉันเลยต่างคนต่างก็ฉันก็เสร็จทิ้งกันาทีแล้วก็เสร็จละโยมว่าเป็นชั่วโมงเลยกินข้าวโอ้โหพุทธลุ่ยจังนะลองวิเคราะห์ดูลองตั้งนาฬิกาดูนะฮะลองตั้งนาฬิกาดูกินข้าวเนี่ยมันกี่กี่ชั่วโมงกันแน่เวลาเขาเขากินกันมาคนละห้าร้อยนะคนละห้า มันไม่ได้อยู่ในบริการของพนักงานแต่ว่าอยู่ที่ว่ากินข้าวแล้วนั่งคุยกันมันคุยกันไปเรื่อยๆโดยไม่ได้มองเวลานะฮะไม่มองเวลาจะทำให้เวลาหายไปตั้งห้าธิบ้านาทีาไปห้าิ้านาทีอันนี้ก็เป็นหลักที่เจ้าท่านสอน คือพัฒนาตัวปฏจเกษตรนก็นนพเจ้าแนจะแนวพัฒนาประเจกนชนไปก่อนแต่ว่าคนเรานี่นะอย่างวันนั้นเราพูดกันในเรื่องการศาสนาการศึกษาศาส น, ะะนาศิลปะวัฒนธรรมในอีก5้าอีก15หปีข้างหน้าจะเป็นยังไงนะมาก็ตั้งข้อสังเกตโดยสรุปพอเรวเวลานิเีย เราบอกว่าที่จริงบุคคลไปในสังคมเนี่ยมันไหลไปจากสถาบันครอบครัวแล้วก็ก็สู่ระบบการศึกษาเพราะงั้นคนทั้งหมดในบ้านนี้เมือง น, นี้ก็คือผิดผลจากการจัด ก, การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพราะเราจะสร้างคนของเราตรงนี้อย่างไงเราจะปลูกฝังสร้างลักษณะนิสัยกันอย่างไงแม่ก็เอาไปตรงนี้คือจะไปคิดว่าคนภายใต้การปกครองของมหาไทยมาไทยวันนี้ปกครองนั่นเองนะ แต่ที่จริงเรานะ่ยคือเหมือนกับพ่อแม่กรารทรงติการเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่คนทุกคนมาผ่านระบบนี้ไปทั้งนั้นที่มันเคลื่อนไหวอยู่ในสังคมที่ประท้วงหรือไม่ประท้วงอะไรแต่ใดนะฮะมันผิดผลจากการา ก, การศึกษาทั้งนั้นแล้วทํายังไงเราจัดตรงนี้ให้ได้แล้วเราจะเป็นอะไรก็ตามจะต้องมีฐานของศีลธรรมแม้แต่ประชา ก, การการศึกษาในปัจจุบันเดี๋ว่าทําการงานเป็นคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นเนี่ยมันต้องมีศีลธรรมนะฮะมันต้องมีความรับผิดชอบใน การคิดการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาแบบปัสสวะพ่นหน้าบ้านถ้าถามว่าแก้ปัญหาเป็นหรือเปล่ปามันก็เป็นนั่น <c oughs> ก็ขยะไม่มีอที่นหน้าบ้านแต่มาอยู่ที่หน้าบ้านคนอื่นจะว่าไงเพราะว่าต้องมีศีลรรมมีศีลทำเป็นหลักเอาไว้ปริมาณของธรรมะที่ต้องใช้จะต้องสูงขึ้นถ้าไม่งานแล้วเนี่ยมันจะอาจจะเป็นการลิ์ โอ้คนมากผลประโยชน์มากความขัดแย้งมากสูตรสูตรธรรมชาติเลยคนมากผลประโยชน์มากความขัดแย้งมากทีนี้ถ้าขาดสินธรรมขาดการประนีประนอมขาดการประสานประโยชน์สังคมก็จะเดือดร้อนจะอยู่กันกันด้วยความลําบากแต่ดูแล้วก็กระตือร้อนกันนะฮะกระตือร้อนกันพอสมควรเพียงแต่ ว, ว่ามันมันไม่ค่อยเดินไม่ค่อยหมุนไม่ค่อยหมุนเท่านั้นเอง ตอนทำธรรมะตรงนี้มันก็อยู่ทีก่การหมุนคือว่าเราเราจะมีคนเดียวไม่ได้นะมันมันคนอื่นต้องมีด้วยคนอื่นต้องมีธรรมะด้วยถ้าว่าเรามีธรรมะแต่คนอื่นไม่มีธรรมะแล้วผลทวิทายเราเองจะเดือดร้อนเพราะถูกเบียดเบียนจากคนที่ขาดธรรมะธรรมะจึงต้องมีการศึกษามีการประพฤติปฏิบัติกันแพ่หลาย ก็จับหลักเอาขนาดว่าสี่ข้ออย่างนี้ว่าเนี่ยแต่ข้อหนึ่งที่ทรงสอนในรูปของอธิษฐานนะคือเป็นฐานจิตฐานชีวิตฐานชีวิตภาพรวมนะฮะหมายหมายความว่าทุกชีวิตชีวิตแล้วที่จริงก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกันแต่ให้มีปัญญาเป็นตัวนำเพราะทุกเรื่องเนี่ยต้องมีปัญญาแล้วก็มีสัจจะเหมือนกันนะฮะมีสัจจะเหมือนกัน แล้วก็มีความเสียสละแต่ในขณะเดียวกันก็ทำจิตให้สงบต้องยินดีในความสงุก็อค่อนข้างสูงขึ้นหน่อยนะแล้วก็ประโยชน์ที่เป็นอนดีตแต่ไม่ใช่เป็นอนาคตคือหมายความว่าประโยชน์ที่เป็นระดับก็เรียกว่าสวรรค์มบัติเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะ หมายความธรรมะที่ทรงสอนเช่นธรรมะอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็ให้ผลไม่ความสุขในปัจจุบันแล้วแต่พวกนี้มันมันมันเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ติดตัวเราจะเห็นว่าทรัพย์มันก็มีอยู่สองอย่างคือทรัพย์ติดโลกกับทรัพย์ติดตัวพเพื่อจะจะสอนทั้งสองอย่างแต่ให้ความสําคัญแก่ทรัพย์ทึ่งติดตัวคือธรรมะที่ตอนนี้ว่าเป็นอริยทรัพย์มันจะติดตัวติดใจเราเป็น ตัวสร้างความเปลี่ยนแปลงทางจิตในแม้เราตายไปแล้วมันก็ติดใจเราไปซึ่งผีกระซั์สมบัติที่ติดโลกเราก็ต้องทิ้งไว้ในโลกธรรมะเหล่านี้ทรงสอนไว้ซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างอย่างแนวที่ยกมาสี่ข้อเนี่ยฮะโปกสัจจะพปะธรรมะโปกขันติพวกจากขะมันก็ผลจะธรรมะปฏิบัติมันก็ติดใจ แต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างวัตถุขึ้นมาในโลกได้เพื่อจะให้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการรุ่งชีวิตปริมาณความเข้มข้นของธรรมะมันจะเพิ่มความบริสุทธิ์หมดจดขึ้นภายในจิตเป็นคุณภาพทางจิตแน่เรียกภูมิจิตภูมิจิตมันสืมเนื่องมาจากภูมิธรรมมาความภูมิธรรมมากภูมิจิตมันก็สูง แล้วถ้าเรามีภูมิรู้ด้วยมันก็ใช้ภูมิรู้ไปในทางสร้างสรรค์พัฒนาแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ติดที่ติดใจเราไปก็ยกพบยกภูมิจิตของเราให้สูงขึ้นในท่านพูดถึงสวรรค์นในระดับต่างๆแล้ก็เป็นสิ่งี่สุตเป็นเป็นสิ่งี่สิตเนื่องมาจากภูมิธรรมของเรา ก็ส่งแสดงที่จริงก็สูตรหลายๆสูตรนะฮะสูตรไหนก็ได้ว่าจริงวัตถุมากก็คือธรรมะแล้จะเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด ท, ที่รับสั่งบ่อยๆก็คือสุจริตทุจริตกายวจาใจนะฮะสุจริตสูจริตกายวจาใจให้สูจริตทางกายทางวาจาทางใจมันให้ผลในปัจจุบันด้วยให้ผลในส่วนตัวเองให้ผลในส่วนครอบครัวให้ผลในส่วนวงศาคณะญาติก็เรื่อยไป จนถึงสังคมประเทศชาติเป็นส่วนรวมแล้วก็ผลของกิตที่พัฒนานานมันจะสร้างภบภูมิให้เราประณีตยิ่งขึ้นคือบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วผลเหล่านั้นถ้าหากว่าพัฒนาขึ้นไปเต็มที่นะฮะมันก็กลายเป็นนิพพานนันเอ่อ เอกบุคคลทั้งหลายก็แสดงประโยชน์สามเพื่อประโยชน์เพื่อคือกุลเพื่อความสุขแก่คนถึงสามระดับแต่จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนกันเมาอความคนเราถ้าไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจมันก็โอกาสที่จะปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจตัวเองมันก็ทำได้ได้มากขึ้ น, น, นแต่เกิดมีปัญหาทางเศรษฐกิจมากๆมันก็ยุ่งกัน พีท่ทีก็อาจจะต้องทำชั่วทำผิดเพื่อให้ชีวิตของตัวเองอยู่รอดนะีมันโอกาสเพิ่มบาปเมันก็เยอะเหมือนกันท่านจึงถือว่าพวกนี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยคือยังมปีปัญหาในเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยมันก็เหมือนกับมาอย่างมองถึงว่าข้าราชการหรือว่าคอร์รนะัปชันเนี่ยพยายามศึกษาจุดนี้มันนัดว่า ถ้าเรามีที่อยู่นะคนเหล่านี้ถ้ามีที่อยู่ได้เนี่ยนะมันจะลดคอรชันลงไปเยอะที่อยู่มันแพงนี่เกิดแต่เวลานี้มันมีรถมีอะไรตามมาคงจะยุ่งเหมือนกันน่นะครับสรุปว่าส่วนหนึ่งตนะ้องแก้ที่ใจส่วนหนึ่งต้องแก้ที่ปัจจนะัยหรือต้องเสริมที่ปัจจัยและในขณะเดียวกันก็ลดความอยากที่มีอยู่ภายในใจไปควบคุมความอยากไว้ องจะลดปัญหาต่างๆเอาไปได้เมื่อวานเนีเจอกับท่านอาจารย์ไพบูลที่พยาก็สอบถามถึงปัญหาที่พเยา ว, ว่าจะแก้ไขได้ไหมไปถามคนในเชียงรายวันก่อนว่ามันลองช่วยกันแก้ไขตรงนี้ลองดูก็บอกว่ามันเงื่อนไขแยแ่มันจะแก้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งได้มันเป็นโดยเฉพาะย่างยิ่งคือค่านิยม ค่านิยมถึงมันอย่างรากลึกมากๆติดใจในความสะดวกสบายอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ไม่อยากทำงานปัญหาใหญ่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากหรูหราอยากแต่งตัวสวยๆอะไรแต่ไรเนี่ยแต่ไม่อยากทำงานนั่นคือปัญหาใหญ่ก็ถามท่านเจ้คุณเมื่อวานนะบอกว่าจะแก้ไขไหมท่านบอกว่ามันมันยากมาก แต่ว่าก็คงจะทิ้งไม่ได้นะฮะก็ต้องช่วยกันแก้ไขแต่ว่าก็ยากเพราะว่าปัญหาแต่และอย่างมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งมันมันหลายเรื่องได้เกิดดังนั้นเวลาทรงสั่งสอนจึงไม่ได้สอนให้คนใดคนหนึ่งทำนะแต่ว่าสอนให้ทุกคนเนี่ยประพฤติปฏิบัติคือมีจิตสำนึกแต่เราก็ไปเกณฑ์น้เขาทาไม่ได้นะฮะเกณฑ์ห้เขาทำหมดไม่ได้ ศาสนาเป็นเรื่องการสอนเท่านั้นเองจึงสร้างความสำนึกที่เรียกว่าความเป็นบินยูชนขึ้นภายในใจคนแต่ละคนต่ถือว่าคนเรามาด้วยกรรมของเราอยู่ด้วยกรรมของเราก็จากไปด้วยกรรมของเราไ ม, ไม่ต้องไปรอคนอื่นต้องทำดีก่อนแล้วฉันจะทำความดีแต่ก็รีบเร่งทำความดีด้วยความตื่นตัวด้วยความไม่ประมาท ฟวิทยุเมื่อเช้านักวิะชา ก, การเขาพูดก็บอกไปปรึกษาพระพระก็สอนให้โปรงลุกทีไม่อยากสอนให้โปรงลุกทีอยพูดเป็นเล่นไปมันแล้วแต่กรณีนะฮะแล้วแต่กรณีอะไรคือกรณีเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าไม่ปรงให้ตกมันก็ติดเท่านั้นเองเขาก็สอนให้ปรงเราจะเห็นว่าธรรมะมันมีทั้งสามตั้งสี่กลุ่มอะแล้วก็บอกพระสอนให้โปรงลุกทีเกินไป คือข้อสอนในปรงในกรณีที่มันเป็นปัญหาซึ่งเราแก้ไขไม่ได้แล้วนะเช่นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายนะฮะเราเจอเนื้สอนใหนปรงอยู่สี่เรื่องแต่นั่นเองนหะเขาไม่ได้สอนทุกเรื่องเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายนี่ต้องปรงมันทํำยังไงเราหรือใครมันแก้ได้ครับแต่เรื่องกรรมเรื่องการกระทําในเราคุมได้นะฮะคุมได้แนวินญหาปัจเจวกนี่เห็นได้ชัดเลยพอสอนใหนปรงอยู่สี่เรื่อง เรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายเรื่องการพลาดพลาดสูญเสียทั้งหลายนี่ยมันธรรมดาแต่เรื่องกรรมเรืองกันกระทำเนี่ยไม่ได้สอนให้ปรงนะฮะไม่ได้สอนให้ปรงแต่สอนให้ทําสอนให้เว้นให้เว้นความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีมันจะสอนให้ปรงแต่ทีนี้ถ้าทําไปแล้วแล้วเกิดผลขึ้นมามันก็ต้องต้องปรงนะฮะต้องยอมรับต่อต้านผลได้ยังไง แต่วิธีที่เราป้างการมันมีนเ็าส่งสอนไว้และในข้อต่อไปเ็าส่งแสดงว่าเอกบุคคลเมื่อบังเกิดขึ้นนั้นจะเป็นการเกิดขึ้นของอัจฉริยะบุคคลคือคนที่อัศจรรย์แปลกนะแปลกหน้าทึ่งสมรับคผลทั้งหลายตั้งแต่การเกิด พระเจ้าเราเนี่มันมีอัศจรรย์มาเยอะอย่างที่เคยพูดในอจัจริยะอภูรธรรมสูตรนะฮะมันมีตั้งสิบเก้าอย่างตอนประสูติเสร็จนะฮะธรรมสูตรนียมันมีตั้งสิบเก้าอย่างมีปรากฏการนตอะไรแ ป, แปลกแปลกเพราะฉะนั้นยุคสมัยนั้นถ้าเป็นยุคสมัยนี้นะฮะพระเจ้าเป็นรู้จักทั่วโลกก่อนจะประสูติแล้วออกข่าวโทรทัศน์ตุรยะกันแล้วนะ ทุกครั้งได้มีปรากฏการอันสุดจานในคนจะต้องรู้จักโทษโลกเพรา ะ, ะนันเ้เราเราโดลองสังเกตนะว่าทำไมนั้นในข้อมูลข่าวสารมันไม่มีอะไรแต่ทําไมพระเจ้าพิมพิสารพอรู้ว่าองค์นี้คือเจ้าชายติระถาเนี่ยตื่นเต้นเลยให้ความเคารพนับถือได้ท่านท่านที่ไม่รู้จักอะไรแต่ที่จริงท่านรู้ชื่อเพราะในพราะข่าวลือแต่แต่ละครั้งแต่ละครั้งมันมันกระพือกันไปแล้วก็เล่าสู่กันฟัง ไปเรื่อยก็ทยอยกันไปก็ไกลไม่ใช่เล่นนะนะฮะสมับสมัยนั้นนะแล้วก็ความคิดการกระทำของท่านผลจากการกระทำของท่านเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์มันมันมันไม่เหมาะเหมาะสมกับวัยเอววัยนี้บางคนคิดอย่างนี้ไม่ได้อย่างที่พูดถึงถึงเด็กผู้หญิงวันก่อนในก็ตอบปัญหาว่า ค ว, ว ค, ว ค, วความทุกข์ต้องบวงปำความที่เขาถามว่ามีปัญหาอะไรไหมแกบอกว่ามีความทุกข์อะไรไมามแกบอกว่าทุกข์จากความมีชีวิตเนี่ยนะพอเรามีผู้ใหญ่เอาเรื่องนี้มาพูดเยอะประลบกันได้ไปเจอเขาก็เล่าถึงเด็กคนนี้ที่พูดเนี่ยนี่แสดงว่ามึก็เก่งไงนะะเด็กขนาดนั้นคิดได้ขนาดเนี้มองปัญหาทั้งระบบที่เกิดขึ้นในชีวิตมันมาจากความเกิดตัวเดียวถ้าไม่เกิดก็จบเห็นไหมมองแบบเจาชาติทัตหท่านว่า ใจตาท่านก็มองอย่างนั้นแน่ะฮะผมมองเห็นความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพลาดนั้น ม, มาจะเกิดอ่ะถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีอะไรนั่นคือความคิดที่คนอื่นเขาไม่เคยคิดมันคิดได้อย่างอาศัศจรรย์คือแม้แต่การไปอายุเจ็ดขวบไปนั่งสมาธิในขณะที่เขาสนุกสนานเด็กเจ็ดขวบไ ป, ไปนั่งสมาธิได้ไงแต่นั่งไงวอศัศจรรย์เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพฤติกรรมที่อศัศจรรย์ พุที่ภาวะเกินเกินวัยนะฮะเกินไวนะะนไว้ไวขนาดนั้นคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นแล้วทำได้ด้วยนะฮะทำได้ด้วยไม่ใช่ไปตั้งท่าจะถ่ายรูปอะไรแล้วก็สิ่งที่นำมาคิดการมองปัญหาแต่ละเรื่องที่ทก็คือโลกอะโลกเหมือนกันในสมัยปัจจุบนันคือไม่หลงยึดติดอยู่ในรูปแบบที่ มีการนำเสนอไม่ว่าโดยใครก็ตามนะจะไม่หลงยึดติดจุดสูงนั้นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากคือสังคมเรานั้นจะลักษณะยึดติดในรูปรูปแบบในสูงเพราะว่าไม่ค่อยศึกษาถึงตัวเนื้อหาขอ ง, ของสิ่งเหล่านั้นนะแม้แต่องค์ธรรมะเองอย่างที่เคยบอกว่าองค์ธรรมะทั้งหมดในที่จริงมันเป็นอริยสัจเป็นอริยสัจทางั้น แต่เราก็หลงติดในยึดในรูปแบบว่าองค์นั้นต้องมีองค์นั้นต้องมีตรงนั้นต้องมีเวลาเวลาสอนเวลาสอนต้องเช่นว่าครูสอนหนังสือเนี่ยจะเอาธรรมะมาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุ ด, ชดเพื่อให้ปฏิบตัติปฏิบัติเป็นชุดๆุดอย่างนั้นก็ทู้ไม่ไหวครับแต่ถ้าเราเข้าใจโดยเนื้อหาเราก็จับประเด็นว่าเออตรงนี้ที่จริงมันเริ่มต้นมาจากตรงไหน แล้วก็เริ่มต้นตรงนั้นต่อไปมันแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาเองโดยไม่จำเป็นจะต้องไปให้คนรู้สึกจำนวนคือหวาดกลัวในตัวจำนวนของธรรมะเพราะธรรมะเหล่านั้นตอนที่ทรงแสดงเนี่ยคนก็รับผลแล้วบางทีข้อเดียวนะฮะบางทีข้อเดียวคนก็รับผลแล้วแสดงในภาคปฏิบัตินั้น ให้มีจุดเริ่มต้นแล้วต่อมามันจะแตกกิ่งก้านสาขาทํานองการปลูกพืชหรือการเจริญเติบโตของชีวิตเรานะฮะมันก็เหมือนกันนั่นคือความอัศจรรย์ความคิดอัศจรรย์การเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์เพราะาเอกบุคคลจึงไม่มีคนเสมอเขาเรียกอัศโมอัศ โ, โมคือหาพูดเสมอไม่ได้ การเสมอไม่ได้นั้นไม่ได้หมายความมาทุกจุดเนี่ยนะฮะไม่ไม่ได้หมายความมาทุกจุดหรือข้อ น, นี้พระพุทธเจ้าก็เคยแสดงที่มีพวกปริพันชกนอกาศาสนาก็าประรบ ก, กันว่าพระพุทธเจ้านีนยอดที่สุดแต่ว่าเวลายอดที่เขายกมาพระพุทธเจ้าบอกตรงนี้ไม่ยอดหรอกตรงนี้ไม่ยอดมีคนเก่งกว่าเยอะเลยเช่นเช่นสมมติ ว, ว่าพระพุทธเจ้านั้นเชี่ยวบินธบาตรฉันอาหารในบาทเป็นวัด พระเจ้าบอกก็ไม่แน่ก็ไม่แน่วางทีไปในรั้วในวังในบ้านเศรษฐีบาาจจ้านญาติโมเขาก็ถวายก็ไม่ได้ฉันเดี๋ยวบินทบาตเป็นวัดบอกถืออยู่ป่าพระเจ้าก็บอกไม่แน่บางทีก็ไม่ได้อยู่บางทีก็ไม่ได้อยู่นะฮะก็อยู่ในในในบ้านในเมืองนุ่งหมผ้าบางสกุลเป็นวัดพระเจ้าบอกไม่แน่บางทีก็มีคนถวายเหมือนกันมีผ้า ใส่จีวรผาสบ ong ที่มีคนก็ถวายเหมือนกันพระบางรูปเนี่ยท่านท่านฉันข้าวนนะาวันละคำนะฉันข้าววันละคำถือกฤิดมากถือถือถือธูดงางอุกฤษมากหลวพอ เ, เจ้าบอกพระองค์ไม่แน่บางทีฉันตั้งครึ่งบาทวันทีก็ฉันเต็มบาทแต่บาทไม่ใหญ่นะบาทไม่ได้ใหญ่ อันนี้ก็คือก็คือว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ทุกเรื่องแต่ว่ามีอยู่สามเรื่องที่ที่เรียกว่าเหนือมนุษย์จริงๆนั่นคืออะไรก็คือทรงมีปัญญาที่เหนือคนอื่นจริงๆประเด็นสำคัญของปัญญาก็คือว่าสามารถทำลายกิเลสได้อย่างสิน้นชะึกนะคนมีปัญญาเยอะไป ก็มีปัญญาเยอะไปแต่ว่าที่จริงกิเลสไปเพิ่มตามปัญญาเนโนเป็นด็อกเตอร์เนี่ยอัตตาใหญ่มหาศาลนะผู้จากันไม่ค่อยรู้เรื่องมองกคนอื่นโง่ไปหมดเลยฉันก็เป็นตัวผูกเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นคล้ายๆไปตัวกำหนดกฎเกณฑ์จริงทั้งหลายแต่พูะเจ้านั้นมีปัญญาแล้วก็ขจัดอวิชชา รู้แจ้งโลกนี้โลกอื่นเป็นโล ก, กวิทูคือรู้โลกทั้งปวงแต่ไม่ใช่สอนทั้งปวงนะฮะกรรู้ทั้งปวงเน่ไม่ใช่สอนทั้งปวงอย่างที่ทรงอุปมาเหมือนกับใบไม้ประทับในป่าประดูล่ลายก็หยิบใบประดูมารากว่าคำสอนที่ทรงสอนก็ทรงรู้เนี่ยทรงรู้เหมือนกับใบไม้ทั้งป่าแต่ทรงสอนเนี่ยมันก็เหมือนกับใบไม้ในกำมือเดียว สอนเฉพาะอะไรสอนเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์มีลักษณะเกื้อกูลและอำนวยความสะขให้แต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่อ้อมค้อมอ้อมโลกเพราะว่าชีวิตคนมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นไม่ได้ยาวจนอยู่จะต้องไปดูตรงนั้นไปตรงนั้นนี่ ม, ไมัไม่ต้องมันยุ่งไปว่าเปล่าเสียเวลาที่บางครั้งทรงสอนว่าคือการอยากจะรู้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนั่น เราเป็นใครเรามาจากไหนเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดมันยุ่งจังเลยโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงอะไรเนี่ยรับสั่งว่ามันเหมือนกับคนที่ถูกลูกศอนแทงอยู่เนี่ยคนก็ยิงมันก็ลูกศอนแทนที่จะให้เขาถอนลูกศอนแล้วก็เอยียารักษา บาดแผลไม่ได้จะต้องรู้ก่อนว่าลูกศรนี่ใครยิงมายิงมาจากไหนทําไมจึงยิงนี่ลูกศรนี่ทำโดยไม้อะไรมียาพิษหรือไม่หรือไม่ไ ม, มียาพิษตายแต่ก่อนอดีเรยุ่งเสียเวลามันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาวุ่นวายขนาดนั้นเพราะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้สอนให้รู้ข้างนอกมากนะฮะมันโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลอนะไรกนแต่สอนให้เรียนจากโลกภายในเรียกว่าขันทันโลกอาญตระนันโลกนะฮะ รูปประโลกกัรูปรปรโลกเนี่ยไอเรียนจากร่างกายเราร่างกายเราก็คือโลกนะเราก็เป็นสัตว์ตัวโลกและร่างกายเราก็คือขันธ์โลกอยายตนะโลกมาศึกษาเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอยายตนะแต่ว่าศึกษาทุกระบบทุกระดับนะฮะหมายความว่าในการรวมเป็นคนเป็นสัตว์ก็ถึงศึกษาเป็นธรรมะระดับสวรรค์สมบัติในมนุษย์สมบัติกับสวรรค์สมบัติ พอนี่ผ่านสมบัติปรากฏว่าขันชักไม่ค่อยมีแล้วศึกษาในแนวแยกขันแยกออกเป็นเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะแต่ก็สรุปว่าเมื่อเรารู้ข้างในเนี่ยซึ่งมันดูง่ายและจะทำให้เรารู้ข้างนอกซึ่งมันไกลก็ยากต่อการดูแค่เราดูคนตายนะเราดูคนตายเป็นคนเดียวแต่สามารถรู้โลกทั้งปวงว่าคนทุกคนก็ต้องตายเหมือนกัน ใช้เรียนจากจุดย่อยไปหาจุดใหญ่เพราะนั้นปัญญานี่จึงสว่างสวัยที่ครอบคลุมต้องบวงเอาไว้ในด้านภาษาเองนะคนก็เคยตั้งขอ้อสังเกตไว้พระเจ้านั้นได้นิรุตติปฏิสัมภิทาคือภาษาเราเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเนะียทำยังไงจะติดต่อเขาได้จะพูดกับเขาได้นะ่ใช้ภาษายังไง จิงจะพูดกับคนเหล่านี้ได้นพระเจ้าทรงยักยายด้วยภาษาก็เรียกโวหารเนี่ยภาษาที่ใช้ก็ใช้ตามภาษาเขาไม่เคยมีล่ามนะฮะไม่เคยมีล่าในการเทศสี่สิบห้าปีเสด็จไปเมืองใดก็ตามก็พูดด้วยภาษาของเขาแล้วเข้าถึงเนื้อหากองภาษาเหล่านั้นนี่คื อ, คอถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หญหญมากๆปัญญารอบรู้ไปทุกเรื่อง แล้วก็หยิบสวยเรื่องต่างๆเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเอาสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนยฮะใกล้ตัวที่สุดเนี่ ย, ยเยข้ามาเรียนแล้วก็จะทอนเข้าไปถึงโลกทั้งปวงคือสังขารทั้งปวงแต่ว่าจุดจะเริ่มต้นจะปจิดจุดจอยประการต่อไปเรื่องความบริสุทธิ์เรื่องความบริสุทธิ์ที่เสมอแล้วก็ไม่หวั่นไหวนะ เสมอไม่หวั่นไหวที่เรียกว่าตาชีคือคงที่นะฮะตาทีนโนพระวจนาเรียกว่าตาทิโนก็เป็นผู้คงที่คงที่ไม่หวั่นไหวเสมอต้นเสมอปลายเป็นอย่างนั้นะใครจะทําอะไรก็ทำสำหรับพระองค์นะฮะแต่ว่าในฐานะมันมีสองสถานะมีอยู่สองสถานะอันนี้เราเราเราต้องแยกให้ออกวันก่อนในฟังผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเขียนลงหนังสือพิมพ์เออท่านท่านแยกไม่ค่อยถูก คือศาสนาเนี่ยมันมีในด้านธรรมะกับด้านของวินัยนะะด้านวินัยนั้นเขาเรียกว่านิฆะปัฆะมันต้องมีการชี้โทษมีการลงโทษมีการทำหนินะการบริหารงานบุคคลนะี่ยนะมันต้องมีการลงโทษมีการําหนีมีการยกย่องนะคือการบริหารแต่ไม่ใช่ทำด้วยความโกรธแต่ทำด้วยความการุณาทำด้วยความกรุณาต่อคนเท่านั้น มุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่คนนะเหมือนก็เราถากไม้นะฮะไม่จะถากโกรธไม้แต่ว่าถากไปไม้มันมีค่าไอ้นะไอ้ไม้นี่มันมีค่าขึ้นเหมือนช่างเหล็กตีเหล็กเนี่ยไม่ได้โกรธเหล็กอะไรหรือว่าลงโทษลูกหลานก็เหมือนกันคือไม่ได้โกรธแต่ทาด้วยความกรุณาที่ในด้านของธรรมะเนี่ยก็คือเรื่อ ง, องธรรมะใช่ไหมฮะธรรมะก็คือการอดทนการให้อภัย อความกรุณาก็แล้วแต่นะะแต่แต่มันจะเป็นฐานในการลงโทษหรือว่าการการยกย่องสรรเสริญนะการยกย่องหรือว่าการทำหนิซ้ซึ่งเราต้องแยกให้ออกว่าตรงนี้ยเป็นธรรมะหรือว่าเป็นเป็นวินัยนะเรื่องวินัยก็คือวินัยนะะต้องมีการลงโทษต้องมีการทาหนิ้กันแล้วก็ในเ้านความกรุณา ด้านความกรุณาที่เสมอหมดเหมือนกันนะฮะเสมอหมดเหมือนกันคนจะเป็นศัตรูจะเป็นมิตรจะเป็นอะไรพระพุทธเจ้าก็มีพระทัยเสมอเสมอในบุคคลทั้งหลายถึงเราเราจะหาคนอย่างนี้ไม่ได้หรานอกจากเป็นพระอาหารย์เพราะคนเรายัางไงมันมีอัตานะฮะมีมีตัวมีตนมีเรามีเขามีพวกเราพวกเขาเพื่อมาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราถ้าเรา ถ้าเราวิเคราะห์ดูจิตลึกๆตัวเองนะเช่นว่าพ่อแม่มีลูกสามคนบอกว่ารักลูกเท่ากันเนี่ยจริงหรือเปล่าถามจริงๆนะเดี๋ยวคนที่เป็นพ่อแม่ต้องถามใจตัวเองว่าจริงหรือเปล่านะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยริงไม่ยอนเลยเสมอหมดเนี่ยนะมันคงไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะฮะมันเป็นภาษาพูดนะได้แต่ว่าภาษาใจถ้าเราถามใจจริงๆเนี่ยมันไม่น่าจะจริง เพราะอะไรเพราะว่าลูกน่มันมีความดีความไม่ดีเฉพาะตัวเขาอยู่ลูกบางคนเนี่ยดีถ้าเกินเนี่ยนะไม่เคยสร้างความหนักใจให้เลยแล้วลูกคนหนึ่งสร้างความหนักใจให้ตลอดจะรักเท่ากันเนี่ยมันก็เกินไปมันก็เป็นไปไม่ได้ะนะคนเรามีกิเลสถ้าไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยทำได้นะฮะทาได้ต่ว่าใจมันจะปรับแต่มันจะปรับไปเอง โดยอัตโนมัตินะฮะโดยอัตโนมัติแต่นี้ก็ต้องต้องต้องถามใจตัวเองดูนะฮะถามใจตัวเองดูแต่ถามอาตา ม, มามีความรู้สึกต่อลูกศิษย์เหมือนกันไหมไ ม, ไม่ไม่เหมือนฮนะคือสารภาพเลยว่าไม่เหมือนศิษย์บางคนไม่เอาอ้าวเลยอะ่ะได้รู้สึกเหมือนกันได้ยังไงก็แสดงว่าเราก็ยังมีกิเลส่ะฮะแต่พระเจ้าท่านท่านไม่มีกิเลสพระทยก็ เสมอเพราะงาั้นตรงเนี้ที่จริงน่าจะถามจริงๆเหมือนกันเป็นภาษาดอกไม้จะมากกว่ามัง้งพูดว่าเสมอเนี่ยมาว่าไม่เสมอมันต้องมียิ่งมียอดแต่ทํำยังไงวะให้มันมันหยาดถึงกับอคติกับลูกก็แล้วกันเนี่ยนะจะให้เสมอไม่ได้หรอกเพราะคนเสมอนั้นใจต้องบริสุทธิ์มากใจต้องบริสุทธิ์มาก ความการุณาจึงเสมอได้นะฮะจึงเสมอได้ในคนทั้งหลายแต่ความพยายามในการช่วยเราใจน่าจะ ต, ต่างกันหรือคนบางคนมต้องช่วยเยอะเราการุณานะฮะกรุณาจริงเราก็ต้องช่วยเขาเยอะอย่างรู้แต่เจ้าขับเคี่ยวกับพระชนะนี่มันนานนะแกเนี่ยมันเอาท่านมืนกัจับปูใส่กระด้งเลยโอ้โหน่าดูเลยพระเจ้าก็ต้อ ง, ต, องต้องใช้กรุณามากเป็นพิเศษไอ้คนเนี้ยก็ต้องพยายามประนีประนอมไปเรื่อยๆได้ ไม่ให้รุนแรงไม่ให้หักหานประเดี๋ยวท่านตะเลิดกันไปใหญ่เลยเราใช้เวลาตั้งนานนะเราจะเห็นว่าท่านบรรลุมรคลเป็นพระหานหลังจากพระเจ้านิพพานแล้วนะพระจันทร์นี้เพราะฉะนั้นการุณาต้องใช้มากเป็นพิเศษเหมือนกันแต่ว่าเสมอกันเพียงแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ต่างกันคนหนึ่งมันนิดหน่อยนีเองบอกธรรมะนิดหน่อยบรรลุแล้วอย่างวาสันติบุตรนิเทศในควังสองมัทัดเอาบรรลุมรคนแล้ว ตอมาพระเจ้าเทศภาษาริบุตรนิ่ก็ไม่ถลายนะฮะท่านะก็บรรลุแล้วแต่พระจันนะก็หนักคือสรุปว่าช่วงเช้าเนี่ยใช้นี่มากกว่าปริมาณที่ใช้เนมากกว่าแต่ว่ามีความรู้สึกที่เสมอ ก, การต่อไปคือการจากไปนะการจากไปของคนระดับนี้เป็นความสูญเสียอย่างแรงของโลกนะเมื่อก็เหมือนกับยุคสมัยนะ เพราะไรเพราข่าวลือแต่แต่ละครั้งเละครั้งมันมันกระพือกันไปแล้วก็เล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆก็ทยอยกันไปก็ไกลไม่ใช่เล่นนะนะฮะสำหรับสมัยนั้นฮนะแล้วก็ความคิดการกระทําของท่านผลจากการกระทําของท่านเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์มันมันมันไม่เหมาะเหมาะสมกับวัยเอววัยนี้บางคนคิดอย่างนี้ไม่ได้ อย่างที่พูดถึงถึงเด็กผู้หญิงวันก่อนเนี่ยแตอบปัญหาว่าความทุกข์ต้องบวงปำความควา ม, ความที่เขาถามว่ามีปัญหาอะไรไหมแกบอกว่ามีความทุกข์อะไรไหมแกบอกว่าทุกข์จากความมีชีวิตเนี่ยนะฮะและว้วพเรามีผู้ใหญ่เอาเรื่องนี้มาพูดเรื่องปรารถกันได้ไปเจอเขาก็เล่าถึงเด็กคนนี้ที่พูดเนี่ยนัน่แสดงว่ามันก็เก่งไงนะฮะเด็กขนาดนั้นคิดได้ขนาดเนี้ยมองปัญหาทั้งระบบที่เกิดขึ้นในชีวิตมันมาจากความเกิดตัวเดียว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 แม้แต่องค์ธรรมะเองอย่างที่เคยบอกว่าองธรรมะทั้งหมดในี่จริงมันเป็นอริยสัจเป็นอริยสัจทางนั้นแต่เราก็หลงติดในยุทธในรูปแบบว่าองค์นั้นต้องมีองค์นั้นต้องมีตรงนั้นต้องมีเวลาเวลาสอนเวลาสอนต้องเช่นว่าครูสอนหนังสือเนี่ยจะเอาธรรมะมาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดชุดเพื่อให้ปฏิบัติปฏิบัติเป็นชุดชุดอย่างนั้นก็ทู่ไม่ไหวครับแต่ถ้าเราเข้าใจโดยเนื้อหาเราก็จับประเด็นว่าเออ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 ให้มีจุดเริ่มต้นแล้วต่อมามันจะแตกกิ่งก้านสาขาทำนองอากาศปลูกพืชและการจเจริญเติบโตของชีวิตเรานะฮะมันก็เหมือนกันนั้นคือความอัศจรรย์ความคิดอัศจรรย์การเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์เพราะว่าเอกบุคคลจึงไม่มีคนเสมอเขาเรียกอัสโ ม, อ, สโมอัสโมคือหาผู้เสมอไม่ได้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 พระเจ้าบอกก็ไม่แน่ก็ไม่แน่วางทีไปในรั้วในวงังในบ้านเศรษทีบ้าน่าตจโยมก็ก็ถวายก็ไม่ได้ฉันเดี๋ยวบินธบาตเป็นวัดบอ ก, กถืออยู่ป่าพระพุทธเจ้าก็บอกไม่แน่บางทีก็ไม่ได้อยู่บางทีก็ไม่ได้อยู่นะฮะก็อยู่ในในในบ้านในเมืองอนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดพระพุทธเจ้าบอกก็ไม่แน่บางทีก็มีคนถวายเหมือนกันมีผ้า ใส่จิวรพาสบงที่มีคนก็ถวายเหมือนกันพระบางรูปเนี่ยท่านท่านฉันข้าวนนะาวันละคำะฮะฉันข่าววันละคถือกริดมากถือถือถือทุดลงยอย่างกริดมากพระเจ้าบอกพระองค์ไม่แน่บางทีฉันตั้งครึ่งบาทบางทีก็ฉันเต็มบาทแต่บาทไม่ใหญ่นะบาทไม่ได้ใหญ่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 ก็มีปัญญาเยอะไปแต่ว่าที่จริงกิเลสไปเพิ่มตามปัญญาเจนโอเป็นด็อกเตอร์เนี่ยตาใหญ่มหาศาลนะพูดจากันไม่่อยรู้เรื่องมองกันอื่นโง่ไปหมดเลยฉะนั้นก็เป็นตัวผูกเป็นเป็นเป็นเป็นคล้ายๆเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์จริงทั้งหล่แต่พระเจ้านั้นมีปัญญาแล้วก็ขจัดอวิชชา รู้แจ้งโลกนี้โลกอื่นเป็นโลกกวิถูคือรู้โลกทั้งปวงแต่ไม่ใช่สอนทั้งปวงนะฮะกรรู้ทั้งปวงเน่ยไม่ใช่สอนทั้งปวงอย่างที่ทรงอุ ป, ปมาเหมือนกับใบไม้ประทับในป่าประดูลายก็หยิบใบประดูมาราะว่าคำสอนที่ทรงสอนก็สทรงรู้เนี่ยทรงรู้เหมือนกับใบไม้ทั้งป่าแต่ทรงสอนเนี่ยมันก็เหมือนกับใบไม้ในกำมือเดียว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 บาดแผลไม่ได้จะต้องรู้ก่อนว่าลูกสอนนี่ใครยิงมายิงมาจากไหนทำไมจึงยิงในลูกสอนนี่ทำโดยไม้อะไรมียาพิษหรือไม่หรือไม่มียาพิษตายแต่ก่อนอดีตยุ่งเสียเวลามันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาวุ่นวายขนาดนั้นเพราะฉะพุทธเจ้ า, า, าจึงไม่ได้สอนให้รู้ข้างนอกมากนะฮะมันโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลแต่สอนให้เรียนจากโลกภายในเรียกว่าขันธ์โลกอาญานันโลกนะฮะ รูปวัโลกกับรูปวโลกเนี่ยหายเียนจากร่างกายเราร่างกายเราก็คือโลกนะเราก็เป็นสัตว์ตะโลกแล้วร่างกายเราก็คือขันธ์ะโลกอายตนะโลกมาศึกษาเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะแต่ว่าศึกษาทุกระบบทุกระดับนะฮะหมายความว่าในการรวมเป็นคนเป็นสัตว์ก็ถึงศึกษาเป็นธรรมะระดับสวรรค์สมบัติในมนุษย์สมบัติกับสวรรค์รมบัติ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 จะให้เรียนจากจุดย่อยไปหาจุดใหญ่เพราะนั้นปัญญาเนี่ยจึงสว่างสวัยที่ครอบคลุมปริ่งต้งบวงเอาไว้ในด้านภาษาเองนะคนก็เคยตั้งข้อสังเกตไว้พระเจ้านั้นได้นิรุตติปฏิสัมภิทาคือภาษาเราเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยทำยังไงไปจะติดต่อเขาได้จะพูดกับเขาได้เนะี่ยใช้ภาษายังไง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 เสมอไม่หวั่นไหวที่เรียกว่าตาชีคือคงที่นะฮะตาทิ่โนพระวจ้าเรียกว่าตาทิ่โนก็เป็นผู้คงที่คงที่ไม่หวั่นไหวเสมอต้นเสมอปลายเป็นเด้งกันใครจะทำอะไรก็ทำถ้ามาพระองค์นะฮะแต่ว่าในฐานะมันมีสองสถานะมีอยู่สองสถานะอันนี้เราเร า, เร า, เราต้องแยกให้ออกวันก่อนเนี่ยฟังผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเขียนลงหนังสือพิมพ์เออท่านท่านแยกไม่ค่อยถูก คือศาสนาเนี่ยมันมีในด้านธรรมะกับด้านของวินัยนะฮะด้านวินัยนั้นเขาเรียกว่า น, นิฆะปัฆะมันต้องมีการชี้โทษมีการลงโทษมีการตทำหนินะการบริหารงานบุคคลนี่ย น, นะมันต้องมีการลงโทษมีการทำหนีมีการยกย่องนะคือการบริหารแต่ไม่ใช่ทำด้วยความโกรธแต่ทําด้วยความการุณาทําด้วยความกรุณาต่อคนเหล่านั้น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 นะความกรุณาก็แล้วแต่นะฮะแต่แต่มันจะเป็นฐานในการลงโทษหรือว่าการการยกย่องสันเสริมการยกย่องหรือว่าการทำหนี้ซึ่งๆเราต้องแยกให้ออกตรงนี้เป็นธรรมะหรือว่าเป็นเป็นวินัยนะเรื่องวินัยก็คือวินัยนะะต้องมีการลงโทษต้องมีการทำหนี ก, กันแล้วก็ในรั่งความกรุณา ด้านความกรุณาที่เสมอหมดเหมือนกันนะฮะเสมอหมดเหมือนกันคนจะเป็นศัตรูจะเป็นมิตรจะเป็นอะไรพระพจ้าก็มีพระทัยเสมอเสมอในบุคคลทั้งหลายถึงเราเราจะหาคนอย่างนี้ไม่ได้เรานอกจากเป็นพระอาจารย์เราะคนเรายัางไงมันมีอัตานะฮะมีมีตัวมีตนมีเรามีเขามีพวกเราพวกเขาเกอมาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราถ้าเรา ถ้าเราวิเคราะห์ดูจิตลึกๆตัวเองนะฮะเช่นว่าพ่อแม่มีลูกสามคนบอกว่ารักลูกเท่ากันเนี่ยจริงหรือเปล่าถามจริงๆนะแต่คนที่เป็นพ่อแม่ต้องถามใจตัวเองว่าจริงหรือเปล่านะไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมยิ่งไม่ยอนเลยเสมอหมดนี่นะมันคงไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะฮะมันเป็นภาษาพูดนะได้แต่ว่าภาษาใจถ้าเราถามใจจริงๆเนี่ยมันไม่น่าจะจริง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 เสมอเพราะงาั้นตรงนี้ที่จริงน่าจะถามจริงๆเหมือนกันเป็นภาษาดอกไม้ต่มากกว่ามัง้งพูดว่าเสมอเนี่ยมาว่าไม่เสมอมันต้องมียิ่งมียอดแต่ทำยังไงวะให้มันมันใหญ่ถึงกับอคติกับลูกก็แล้วกันเนี่ยนะจะให้เสมอไม่ได้หรอกเพราะฉะคนเสมอนั้นใจต้องบริสุทธิ์มากใจต้องบริสุทธิ์มาก ความการุณาจึงเสมอได้นะฮะจึงเสมอได้ในคนทั้งหลายแต่ความพยายามในการช่วยเราจะใจนี่ต่างกันบางคนบางคนต้องช่วยเยอะเราการุณานะฮะกรุณาจริงเราก็ต้องช่วยคขเยอะอยยางรู้แต่เจ้าขับเคี่ยวกับพระชันะนี่มันนานนะแเนี่ยมันเอาท่านมากระจับปูใส่กระด้งเลยโอ้โหน่าดูเลยพระเจ้าก็ต้อ ง, ต, องต้องใช้กรุณามากเป็นพิเศษไอ้คนเนี้ยก็ต้องปยายามปณีประน่อมไปเรื่อยๆเลย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 ต่อมาพระเจ้าเทเสภาษาดิบุตรเนี่ยก็ไม่ทลัยอนะฮะท่านะก็บรรลุแล้วแต่พระจันนะก็นานคือสรุปว่าช่วงเช้าเนี่ยอใช้นี่มากกว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยมากกว่าแต่ว่ามีความรู้สึกที่เสมอกันการต่อไปคือการจากไปนะการจากไปของคนระดับนี้เป็นความสูญเสียอย่างแรงของโลกนะฮะมันก็เหมือนก็ยุคสมัยนั้นที่ที่พระเจ้าท่านนิพพานเนี่ย สามเดือนนี่คนยังร้องไห้นะเห็นพระอานุ์เนี่ยนะเห็นพระานุ์ต้องวิ่งกรูกันมาพระานุนในพระพุทธเจา้าเราเอาพระพุทธเจ้าไปไว้ที่ไหนเสิเรียกร้องร้องไห้ตลอดทางในราณ์เดินทางจากกุสีนราถึงสาวัตถีเนี่ยสามเดือนเนี่ยคนยังได้ร้องไห้กันอยู่ร้องไห้ในความเสียดายในพุทธเจา้าก็ น, นั่นก็คือปุถุชนเลยนะพวกปุถุชน เพราะว่าเวลาเสียไปแล้วนี่โอกาสที่จะได้เนี่ยจะกลับมาอีกคนระดับนี้จะกลับมาอีกเนี่ยมันก็หาได้ยากไม่ใช่กลับมาอีกคือจะกจาบังเกิดขึ้นอีกในโลกนะเดี๋ยวจะหาวู้เจ้ากลับมาจะบังเกิดขึ้นอีกในโลกนี่ยากนั้นคือแนวที่เรียกว่าเอกบุคคลทั้งหลายเนี่ยเอกบุคคลทั้งหลายนั้นจะเป็นคนที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยโลกได้นะโลกได้เลยจากทัศ ทำใหเรามองภาพอีกภาพหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะฮะ <_ d ata> เรจะพบว่าคนบางคนเนี่ยเขาเกิดมาในโลกเนี่ยเขากอบโกยตักตวงผลประโยชน์จากโลกมหาศาลเลยปลนปลือตัวเองวงาาศาคณะญาติพี่น้องตัวเองโลกไม่ค่อยได้อะไรแต่ต้องให้กับเขาเยอะเลยแต่ว่าคนบางคนนั้นมากินอยู่ใช้สอยโลกนิดหน่อยนะ ย่งพุทเจ้าเราเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าท่านกินอยู่กับโลกน้อยเลยเกิดเนนะี่ยอยู่ก็ใช้น้อยนะฮะเครื่องนุ่งหง่มไม่ใช่ปัดปัดจจัยสี่นี่ฮะบริโภคของโลกน้อยเลยเกิดแต่ที่ให้ ก, โก็โรคเด่นมากเราทำมาเห็นภาพของคนที่บารียงสองกลุ่มนี้ขึ้นไปนะฮะบิงสองกลุ่มนี้ขึ้นไปว่าคนที่เกิดมาในโลกมันเลยก็แบ่งเป็นสองกลุ่มว่า เอาประโยชน์จากโลกมากหรือว่าให้ประโยชน์แก่โลกมากแต่ว่าได้ประโยชน์นั้นต้องได้ก่อนนะนะไม่งั้นเราก็อาศัยโลกนะเพียงแต่ว่าการใช้ชีวิตของคนเหล่านั้นโลกรู้สึกเป็นหนี้หรือเปล่าถ้าเราใช้ชีวิตจนโลกรู้สึกว่าเป็นหนี้ท่านตายไปแล้วเนี่ยเราตัวเป็นหนี้ท่านหล่ะ ท่านเหล่านั้นก็คือปูชนียบุคคลของโลกของสังคมก็เรื่อยไปนะฮะเรื่อยไปก็ทําให้มีภาพอยู่สองภาพว่าภาพของคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของผู้ให้แก่โลกจานวนปัจจุบันในท่นานใช้คำว่าบริการสังคมเหนือตนเนี่ยนะฮะรู้สึกของใครของโรตารี่เลยัึไงใช้เพราะมากแต่บริการอะไรมั่งกันไม่รู้ฮนะเป็นคําอุดมการณ์นะฮะคําอุดมการ์ ก็ให้ความสำคัญแก่สังคมคือช่วยหลสังคมจากประวุทธเจ้านั้นเราจะเห็นว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ในสามสถานะเดอะจะเทียบแล้วคนเราก็คือสามสถานะเหมือนกันเหมือนพระพุทจามาก่ามาหนึ่งก็คือลูกหลานของครอบครัวปวงสาคณะญาติเกุดวม นอกจากจะทำตนเป็นประโยชน์แก่ตนแก่แล้วยังทำประโยชน์แก่ครอบครัวแก่ตระกูลวงศ์แก่ราชสกุลศักยะเป็นราชวงศ์อาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีกี่ราชวงศ์นะฮะเราจะเห็นว่ามั่งคงจะมีสอราชวงศ์ใหญ่ๆเลยมั้ในโลกนี้ที่คนยังรู้จักกันอยู่ในปัจจุบันคือราชวงศ์ักยะกับราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดนะเราจะเห็นว่าดาวิดหรือเดวิดนะฮะ สถานะยูดาห์ก็ดาวิดอิสรามก็ดาวิดแล้วก็คริสก็ดาวิดแล้วก็คือราชวงศ์สากยะที่เป็นกษัตริย์ที่คนรู้รู้จักมันก็เกิดมาจากมีลูกมีบุคคลในในในสกูลนั้นกเกิดมาเชิดชูสกุลอีกฐานะเด่นก็คือฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของโลก ก็ทำประโยชน์แก่ชาวโลกเต็มตามกาลังของพระองค์ไงนะฮะหมายความว่าไอ้เงื่อนไขาการเทศการสอนนี่จริงมันก็มีเงื่อนไขยอยู่เยอะแล้วก็ระยะเวลาด้วยนะระยะเวลาด้วยกำลังคนด้วยก็กทำกระจายออกไปทีกระจายออกไปทั่วโลก ก็มันในยุคตั้งร่วมสามรอยปีแล้วนะจึงกระจายออกไปเพราะว่าการเดินทางต้องมีคนสนับสนุนอะไรบัก็มีเยอะต้องมีเบื้องเบื้องหลังช่วยมีพระราชามาก ร, ริย์มีเศษ็จีนี่เข้าไปช่วยเหลือในการเดินทางในการใดและฐานะหนึ่งคือฐานะที่สรงเป็นทรงเป็นคือเป็นพระพุทธเจา้า ทรงทำหน้าที่เยอะทุกเรื่องนะฮะทุกเรื่องเป็นพ่อเป็นศาสดาเป็นบรมครูเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นอะไรหมดเป็นทุกเรื่องแล้วเราเองมันก็เป็นอย่างนี้เน่ยคือเราแต่ละคนก็คือลูกหลานของสกุลเป็นสมาชิกของสังคมแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่เราต้องรับผิดชอบอันนี้ตําแหน่งมันเยอะคือไม่รู้เป็นอะไรมั่งเพียงแต่ว่าในจุดแต่ละจุดที่เราเป็นก็พยายามทําให้ดีที่สุด หรืบางครั้งเป็นระยะสั้นๆเช่นว่าข้ามถนนจากฝั่งหนึ่งไปสูกฝั่งหนึ่งบางทีมันก็นาทีสองน า, นาทีนั่นเองฮะแต่ว่าทําไม่ดีแล้วกันข้ามถนนโดยเคารพกฎจราจรเลยยากหน่อยนะฮะทีนี้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการเกิดของพระพุทธเจ้าถึงหมายความถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่เกิด นันคือธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นส่วนเหตุและส่วนผลส่วนเหตุก็คือองค์ธรรมทั้งหลายนะที่ทรงสอนเพื่อเหตุแ่งความสุขในระดับมนุษย์ระดับสวรรค์และระดับนิพพานนะนะซึ่งหมายความว่าเกิดขึ้นเพราะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า แต่วิจ้าไม่ตรัสรู้ทำเหล่านี้ก็ปรากฏแก่โลกไม่ได้แม้เป็นพระญาบุคคลประเภทต่างๆคนดีในระเกียมาตรฐานต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ได้แต่แม้แต่รูปแบบโครงสร้างลัทธศาสนาที่สืบเนื่องกันมาถึงปัจจุบันมันก็สืบเนื่องมจาจากพระพุทธเจ้าแต่ตั้งยกตัวอย่างพระตถาจารย์นยกตัวอย่างกองธรรม ทั้งหลายขึ้นมานียฮะเช่นพระธํามสำคัญสำคัญเนี่พวกอริยสัตพวกปธิปกีรธรรมอะไรเนี่ยนะหมายความว่าพวกเหล่านี้เมื่อพู้เจ้าตรัสรู้แล้วก็นำมาเผยแพร่ชี้แจงแสดงแก่โลกก็สร้างพระญะบุคคลขึ้นมาในโลกแล้วพระญะบุคคลเหล่านั้นเองก็หวานพืชของธรรมะลงไป ก็ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนกลายเป็นรูปของพระศาสนาเป็นสถาบันที่จะเรอไม่จะจนะฮะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลแกสังคมแต่ปัญหาเรื่องความคิดนะฮะในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยคงจะต้องคงจะต้องอะไรกันคือต้องพูดอะไรกันเดยว ก็อย่างที่บอกว่ามันมันมันขาดความต่อเนื่องคือกาดการออกมาที่เป็นรูปธรรมวันที่สิบสี่เนี่ยก็จะมีการประชุมที่รัฐสภาก็ก็นิมนต์ไปก็ดูแล้วที่ที่ ท, ท, ที่อะไรที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันคิดจะคิดจะควบคุมพลาดเท่านั้นเองหรือพลาดเนีมันกลุ่มคนนิดเดียวนะฮะ คนคนนิดเดียวเท่านั้นเองในสังคมที่จำนวนคนหมาศา น, นะเมื่อประชากร1สิบล้านพระก็ขนาดนี้นะสิบแปดล้านก็ขนาดนี้ตอนนี้จะหกสิบล้านแล้วก็ขนาดนี้พระจะมีแต่ลดเนี่ยนะฮะต่อไปแนวความคิดทางการจาัด ก, การศาึกษามันก้าวหน้าไปจนถึงว่ามหกคือเราจะเห็นว่ายุคยุคโลการวัด ย, ยุคยุคเนี้ยนะฮะยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ย แต่คนเราจะต้องเข้าใจภาษาเนี่ยเพิ่มคิดเนี่ยระบบการเรียนการสอนเราอาจจะก้าวไปจนถึงว่าม6เป็นภาคบังคับก็ได้ต่อไปนี่มันโลกก้าวหน้าไอ้คนนี่มันรู้ข น, นาดป6มันเอาเอาตัวไม่เคยรอดหรอกซึ่งหมายความว่าถ้าไปถึงยุคนั้นเนี่ยพระยิ่งลดอนะ่ะแม้จะขึ้นป9เนี่ยพระจะลดอนะ่ะเพราะว่าคนที่บวชอยู่ได้นานเนี่ยส่วนมากคนมาจากเนร มาจากสามนเณรคือไม่เห็นโลกที่วิจิตพิสดารนะแต่ถ้าปล่อยให้ติดกับโลกแล้วมันดึงออกมายากเลยดังนั้นคนที่อยู่เป็นหลักมาเป็นสังฆราชเป็นอะไรส่วนมากมันมาจากเนรัยอาจารยสามนเณรคือเอามาบวชตั้งแต่อายุสิบเอ็ดเตี้ยขวบคือคือคือค อ, อย่าให้ไปสนุกกับโลกเด็ดขาดถ้าสนุกกับโลกมันติดโลกมันดึงมาไม่ได้นะฮะบวชมาขนาดสามเดือนก็ตัวสั่นแล้วจะรีบปราบออกไปข้างนอก บองทีดูเลเเกเิกมาแล้วนะฮะเลิกบวชไปดูดูเลิกศึกเลิกศึกมันแล้วเพรฉะนั้นเ ร, เราเราเราเราจะเห็นว่าจํานวนประชากรพระเนี่ยมันมีแต่ลดแล้วไม่ได้มีอิทธิพลอะไรในการเปลี่ยนแปลงสังคมมากนักนะครับเพราะฉะนั้นคนติกระชิดสังคมจริงๆน่ติกระชิดกับคนก็ราจริงๆซึงก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละ จะต้องช่วยกันดูแลด้วยไม่ใช่ว่าอะไรก็เป็นเรื่องของพระพระมันไม่มีทางไปทำอะไรได้แล้วเป็นคณะบุคคลนิดเดียวเองในสังคมเรียกไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของจำนวนประชากร ค, คือมาคิดว่าพระที่ทำงานได้ในเมืองไทยเนี่ยมีไม่ถึงยี่สเปอร์เซ็นตี่ยนะกอจํานวนพระทั้งหมดเพราะเราเห็นในชารตว่าหกสิบ้าเปเซ็นตของพระก็คือนักเรียนคือพระที่บวชมาเรียนทางานไม่ได้แล้ว กต่งารช่วยเหลืออะไรสังคมไม่ได้มันจะมีประมาณยีสิอร์ซ็นตเ่นั้นเองวันศาสนาจริงๆจึ ง, จงไม่ได้เป็นอยู่ที่ตัวคนนะฮะตัวไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ได้อยู่ที่กลุ่มคนนะฮะแต่ว่าอยู่ที่ทุกๆคนว่าทุกคนนั้นก็คือศาสนิกไม่ไม่ใช่พระคือศาสนิกนะฮะทุกคนคือศาสนิกพระก็คือศาสนิก แต่เนี้ยแคเดียวกับท่านทั้งหลายนั่นเองแต่ว่ามันก็ไปเข็มงวดตัวเองขึ้นนะฮะเพิ่มศีลขึ้นแล้วถ้าเราดูให้ดีจริงๆริงศีลที่เพิ่มขึ้นมัก็คือศีลห้านะฮะคือเพิ่มงวดจากศีลห้าแต่มันประนีตขึ้นแต่นั่นเองมาความตรงเนี้ยโยมทําไม่ผิดอ่พระทำผิดพระทำผิดแล้วก็เรื่องเดียวกันนะฮะแต่ว่าพระทำผิดโยมไม่ผิดเพราะว่าโยมเป็นค า, ารวะเป็นการปฏิบัติ ให้ประนีตขึ้นไปแต่ว่ามันก็อยู่จริงๆก็อยู่ที่การปฏิบัติได้อย่างที่บอกไว้ว่าเนี่ยอย่างวาสิกาที่เขาโทรมาวิปัสนาญาณเขาเรียกว่าอะไรสมัสนาญาณ น, น, นะไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่ธรรมดาระดับวิปัสนาญาณข้อที่สามที่สองตอน ป, ปลายๆนะฮะที่สามตอนต้นๆไม่ใช่ธรรมดามันก็อยู่ที่การปฏิบัติ เพราะการการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าอะไรทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าองค์ในเกิดขึ้นแล้วก็พิสูจน์ความจริงทั้งหมดที่ว่ามาแล้วเวลา น, นี้จะมาอยู่ที่ยุคของเรายุคสมัยของเราว่าเราจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ทรงแสดงเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขได้หรือไม่ทรงแสดงแล้วนะแต่ว่าเราจะรับประโยชน์ก็ต่อเมื่อ โอปนัยกคือน้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่เกิดแก่พระยาบุคคลทั้งหลายในระดับที่ลดหลั่นลงมาจึงก็เรื่องเหล่านี้จะเป็นความจริงอยู่ตลอดไปถ้าหากว่าปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทรงแสดงไว้สมัยวันนี้ก็ขอ ยุติไว้ได้เวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุรในธรรมจึงมีแต่ท่านสายชนทลายโดยทัว ก, กันทุกท่านคือ